ท่านเห็นอย่างนั้นเบ็ดเสร็จองง่ายมากเลยอะ่ะแต่ท่านจะอธิษฐานใช่ไหมปุ๊บเดี๋ยวกันนั้นนะก็ทําให้ทางนั้นราบเรียบได้เอถ้าทําอย่างนั้นมันจูใจไหมล่ะไม่จูใจเราแต่วันนี้เราจะขวนขวายด้วยกายของเราใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดนี้แหละในการขวนขวายแล้วก็นําดินฝุ่นมาถมประเทศหรือที่ยงนี้ว่างั้นคิดอย่างนี้ก็พุดโธพุโทโธในใจอะ่ะ สัมมาสัมพุทธอดัลลตทั้งขุดแต่ละครั้งทั้งถากทั้งเอาหินโกลยดินแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีขนาดจิตไหนเลยที่จะไม่อุทานคําว่าพระพุทธเจ้าไม่มีขนาดจิตไหนเลยทกขนาดจิตที่โกลยหินหยิบก้อนหินใส่หนังเสืองตัวเองเนี่ ย, ยแล้วก็หิ้วหนังเสือมาเทเนี่ยนะไม่มีขนาดขนาดไหนเลยที่จะไม่ไม่เอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าที่จะไม่ร้องเรียกพระพุทธเจ้า อันนี้แปลว่าอะไรใจคำว่าสัมมาสัมพุโทโธนี่ฝังแน่นในกำม ล, ลขันท่านไหมฝังแน่นมากฝังแน่นมาก็ท่านทีิฐานในใจเจ็ดอสงไขยเปล่งวาจ่าอเก 9, ้ารวมเป็นสิบหกแล้วผ่านวตันหังกรเมทางกรตะนังก ร, ร, งกรไม่ได้รับพุทธบิากรเนะี่ย้องคิดดูใช่ไหมเนี่ยแต่เมื่อสุมเมธาดาบท น, น้ท่านก็พลางพูดพูดไปพลางทางานไปพลางนั้นเนี่ย แผวทางทางประเทศนั้นยังไม่เสร็จนั้นทําค้างไว้มนุษย์ชาว ร, รมามะตะครก็กราบทูลพระบรมศาสดาในเวลาอาหารว่าอาหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่าเมื่อมนุษย์ชาว ร, รมามะตครเหล่านั้นกราบทูล เ, เสร็จเสร็จอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระทศพลทีบางกรก็นุ่งอันตราวาสกสองชั้นสีเหมือนดอกฉบาปิดมณฑนทั้งสามทรงคาประคดเอวอันมีสีสริดังสายฟ้าแลบเหนืออันตราวาสกนั้น แวดล้อมด้วยดอกชบาด้วยสายสร้อยทองนะทรงผมผ้าบางสกุลจีวรมันประเสริฐสีแดงเหมือนดอกทองกลียวที่ชุ่มด้วยน้ําครั่งปะหนึ่งรสด้วยน้ำครั่งเหนือยอดเขาทองนั้นปะหนึ่งร้อมเจดีย์ทองด้วยตาคายด้วยแก้วประการปะหนึ่งสวมของมีค่าด้วยทองคําผ้ากําพลสีแดงปะหนึ่งปิดดวงจันทร์ในฤดูศาสตร์ด้วย พระลาหกแดงนั้นน่ะเสด็จออกจากประตูพระคันทกุดีนะประดุดหนึ่งราชสีห์ออกจากถ้าทองประทับยืนที่หน้าพระคันทกูดีงามมากใช่ไหมทุกคนเห็นพวกรมัสสดาต ะ, ตะลึงกันอย่งนั้นน่ะอย่างเราท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็หลับใช่ไหมเห็นนะโอน่าไม่โอพระเจ้าหรือนี่ว่างั้นก็หลับต่อใช่ไหมอย่างเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นเองจึงไม่ได้ตัดสู้เนี่ย ขณะนั้นเองภิกษุทั้งหมดก็ถือบาตรและจีวรของตนของต น, งต น, งตนแวดล้อมพระบรมศาสดาทีบังกรแล้วภิกษุที่ยืนแวดล้อมอยู่เหล่านั้นก็ได้เป็นอย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มักน้อยสันโดษเป็นผู้บอกกล่าวอดทนต่อความว่ากล่าวเป็นผู้สงัดไม่คุกครีถูกแนะนําแล้วผู้ติบาปนีคือพระเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอะไรปิโยคุรุภาวนีย ว, วัตาเจวัจนาคโมคัมพีรัญจากถังกตาโนจักฐานเนจานิโยเชีย โอ้ยงามมากว่างั้นเลคุณธรรมของความเป็นกัญยานมิตรสมบูรณ์แบบแต่ธรรมาไม่ค่อยสมบูรณ์นะีขณะใดกุศลจิตเกิดโอ้ยเป็นกัญยานมิตรถ้าโทสะจิตเกิดแต่ยอมยว ง, ยว ง, ยวงห่างห่างธรรมมาเนี่ยจะมนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างเราท่านทั้งหลายก็เป็นอย่างเงี้ยถ้ากุศลจิตเกิดเนี่ยเป็นกัญญานมิตรไหมเป็นถ้าอกุศลจิตเกิดเป็นป่าประมิตรเลยจะมาถ้าในขณะที่ถีนมิธะเกิดเป็นอะไรไหม เป็นปลาประมิทต่นั้นถ้าขันนั่งใครที่น้ามิถ้าเกิดแล้วก็นั่งห่างๆก่านั้นหน่อยนะบอกวีนีปาประมิทปลาประมิตรเองนะที <c oughs> นี้ก็ติบาภิกษุทุกรูปเนี่ยถึงพร้อมด้วยศีลฉลาดในสมาธิและฌานถึงด้อมไปปัญญาแล้วก็วีมุติประกอบไปด้วยจรณะสิเป็นผู้สิ้นอาสวะมีการมาสวะเป็นต้นนะเป็นผู้ชํานาญมีฤทธิ์มียศมีอินทรีย์สงบถึงการฝึกฝนเป็นอย่างดีหมดจดแล้วสิน้นภพ ไม่ต้องไปในการมาพบรูปประพบแล้วรูปประพบแล้วด้วยประการดังกล่าวนั้นพระบรมศาสดาทีมบุคลากรก็พระเองก็ทรงปราศจากราคะภิกษุเหล่านั้นก็ปราศจากราคะลองคิดดูเด็คนปราศจากราคะก็มีภิกษุที่ปราศจากราคะแวดล้อมพระองค์ปราศจากโทสะก็มีภิกษุที่ปราศจากโทสะแวดล้อมพระองค์ปราศจากโมหะก็มีภิกษุที่ปราศจากโมหะแวดล้อมงามไหม งานอย่างพวกเรานั้นเป็นผู้มีราคะก็มีพวกมีราคะแวดล้อมมีโทสะก็มีพวกมีโทสะแวดล้อมใช่ไหมมีโมหะก็มีกลุ่มพวกมีโมหะแวดล้อมงามเหมือนกันไหมดีไหมทาไมชอบเลย อ, ออกมาซะ <c oughs> อย่าไปอยู่ใช่ไหมต้องระราคาโทสะอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นถึงความชํานาญเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะก็รุ่งโรดรุ่งโรอย่างเหลือเกิน ครั้งนั้นพธีบางกอนพระาศาสดาอันเหล่าภิกษุที่มีอนุภาพมากผู้สิ้นอาสวะผู้ดได้อภิญญาหกจานวนสี่แสนรูปแวดล้อมแล้วเสด็จพุทธดําเนินสู่ทางที่เขาประดับตกแต่งไว้แล้วด้วยพุทธลีลาหาที่เปรียบไม่ได้งามมากเอ่ยวลนเาอดมาสาธยายไปโย่อมินภาพบ้างไหมเนี่ยก็มองพระพุทธศาสดานั่นนะมองพุทธโูกเป็นตัวอย่างก็ว่าบางคนนี่เวลาฟังพุทธคุณเนี่ยใจถนอมตรึกพุทธคุณได้เลยเนะ บางคนฟังแล้วก็เฉยๆท่านมาเล่าอะไรเนี่ยฟังไม่เคยรู้เรื่องเลยเนี่ยนะแต่บางคนีฟังแล้วก็เกิดทราบซึ้งเนี่ยนั่นแสดงกุศลจิตเกิดนะเนี่ยพระบรมศาสาศดาพร้อมด้ในภิกษุสงฆ์เนี่ยนะเสด็จดําเนินไปเนี่ยเราประชาชนทั้งหลายอุบาสกบาสิกาทั้งหลายเห็นเนี่ยได้พุทธานุสติธรรมมาสังขานุสติเป็นเท้าเนี่ยเขาจเจริญพุทธคุณกันหมดแหละมีแต่กลุ่มมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเบนหน้าหนีเบือนหน้าห น, นีหลบหน้าหนีกลัวเป็นต้นเหล่านี้นะ เสด็จสู่ทางที่เขาประดับตกแต่งและโดยพุทธลีลาหาที่เปรียบไม่ได้ซึ่งกําลังทํากุศลสะสมไว้โดยตลอดสมัยที่นับไม่ได้บันดาลให้เกิดแล้วป้าหนึ่งเท้าศาสนายผู้มีพระเนตรพันพันดวงนี่นะอันหมู่เทศแวดล้อมแล้วป้าหนึ่งเท้าหาริตามหาพรหมอันหมู่พรหมแวดล้อมแล้วป้าหนึ่งดวงจันทร์ในฤดูศาสเนี่ยนะอันหมู่ดวงดาวแวดล้อมเขาว่าโดยรัศมีสีทองพระจอมปราด ผู้มีวันนาดังทองทําต้นไม้ในหุ่นทางให้มีสีเหมือนทองหมดเลยลองคิดดูจะสีเหลืองอรามหมดเลยนะทำดอกไม้ก็เป็นสีทองสเสด็จพุทธดําเนินไปสู่ทางนั้นสุมเมธาดาบทจ้องตาตรวจ ด, ดูอัตภาพของพระบรมศาสดาปทีบังกรนะีผู้สเสด็จตามประดับประดาตกแต่งแล้วนั้นประดับด้วยมหาปุริสระขนาะ32ประการฉาบด้วยอนุพยัญชนะอีก80แวดล้อมรัศมีวาหนึ่งมิสลิ เหมือนแก้วมณีดอกอินทนินกำลังเปล่งพุทธรัมีฉับพันณลางสีหกประการประดุดสายฟ้าและมีประการต่างๆในอากาศมีพระรูปโฉมงดงามมากกว่านั้นเน่ยเมื่อโอกาสของเรายังไม่ทันเสร็จพระชินมะหาโมนีทีปังกรพร้อมด้วยภิกษุสี่แสนลูปซึ่งมีอภินญาหกผู้คงที่ผู้สิ้นอาสวะผู้ไร้มนทินเสด็จพุทธดาเนินมาหนทางยังเสด็จดาเนินไป เพรีทั้งหลายก็ประโคมมนุษย์เทวดาทั้งหลายก็บริเทิงใจแล้วก็พากันแท่ซองสาธุกการพวกเทวดาเห็นมนุษย์นะ น, นะเห็นพวกมนุษย์แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดาเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกก็ประคองอัญเฉลีตามสเสด็จพระสุคศาสดาเทวดาบรรเลงดนตรีทิพท่านบรรเลงโดยการบูชานะไม่ใช่บรรเลงด้วยความสนุกสนานเหมือนเหมือนในมหรสพที่เขาเล่นกันด้วยความเมามันด้วยราคะโทสะโมหะนะ ท่านบูชาด้วยการที่จักนอบน้อมด้วยกุศลจิตนะพวกมนุษย์ก็บเบลงดนตรีของมนุษย์เทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกก็บเบลงตามเสด็จพระบรมศาสดาในอากาศพวกเทวดาเดินหนก็โปรยดอกไม้มนตารบนี่นะดอกปทุมดอกปริชัดตะกะเป็นดอกไม้ทิพทั่วที่สานุทิศในอากาศพวกเทวดา เดินหนนก็โปรยจุนจันแล้วก็ของหอมอย่างดีอันเป็นของทิพย์ไปสิ้นท่วทิศานุทิศพวกมนุษย์ก็ไปตามภาคพื้นดินก็ชูดอกจำปาดอกช้างนาวดอกปรกระทุมแล้วก็ดอกถิ n t พิมานก็ดอกบุญนาคดอกเกย ด, ดอกทั่วดทุกสานุทิศครั้งนั้นน่ะสุมเมธดาบทก็คิดว่าวันนี้เราทําทางยังไม่เสร็จเราจะสละชีวิตเพื่อพระทศพลก็สมควรเป็นแน่แท้คิดแล้ว เรามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเราคิดมุมนี้ออกไหมวันนี้เราได้ศึกษาได้ฟังพุทธคุณถูก ไ, ไหมเออเราจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาด้วยการมนาสิการศึกษาพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจฟังธรรมจะไม่มีวันใดเลยจะว่างเว้นจะเอากระแสขันธาตุยัตนาของเราท่านทั้งหลายน้อมในการฟังธรรมอย่างต่อเนื่องจนกว่าชีวิตจะหาไม่เคยตั้งจิต บ, บูชาพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไหม ถ้าตั้งอย่างนี้เขาเรียกว่าโอ้โหเนี่ยเอาชีวิตบูชาไปพระเจ้าแล้วใช่ข้าพระเจ้าจะเอาทีนะมิท่าบูชาได้ไหมไม่ได้นะอย่าไปทำนะโอหเป็นบาปตายเลยอ่ะใช่ไหมจิงตกลงใจว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าทรงเหยียบที่ตมเลยอย่าจงเหยียบที่โครนเลยอย่าจงเหยียบที่ขุขะเลยขอจงเหยียบบนหลังเราแล้วเสด็จไปเถิด พร้อมกับพระขีนาศบสี่แสนรูปเหมือนทรงเหยียบสะพานที่แผ่นดินกระดานเป็นแก้วผลึกเถิดข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เราตลอดกาลนานบ่ถามบอกว่าถ้าเราได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์และจะเป็นความสุขแก่เราและแก่มหาชนในอนาคตเป็นอันมากหหมเห็นไหมเห็นไหมท่านคิดเผื่อพวกเราเนะท่านยอมสละชีวิตในครั้งนั้นท่านทิ้งชีวิตในครั้งนั้นเน่ยถ้าอย่างเราไม่ต้องแสนคนแล้ว แค่สักสิบห้าคนกล้าเหยียบไหมล่ะกล้าไมเน่นอนเนี่ยไม่กล้าแล้วใช่ั้ยนี่สี่แสนรูปนะต้องคิดด้วยสละแล้วทิ้งร่างกายจริงๆเนี่ยไม่จะไม่ทิ้งเน้ ย, นยดังนี้แล้วก็เปลืองผมปูราาท่อนหนังชดาผ้าเปลือกไม้ลงที่ตรมซึ่งมีสีดำแล้วก็ทอดตัวลงนอนบนตมนะที่นั่นเองด้วยประสงค์ว่าขอพระบรมศาสดากับสิทธิของพระพุทธเจ้าคือสาวกของพระพุทธเจ้า จงทรงเหยียบเราเสด็จไปอย่าทรงเหยียบที่ตมเลยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูดขณะนั้นสุเมธาดาบทนอนบนหลังตมแล้วก็คิดต่อไปว่าถ้าเราปรารถนาและไซเราพึงเป็นสังฆนวกะเผาราคะโทสะโมหะมานะเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าฟังธรรมนเนี่ยนะเออถ้าฟังธรรมยังไม่ครบสี่บาทคาถาอะไรฟังหนึ่งแถวอะบรรลุเป็น ภาษาวกเป็นพระรหารได้หรือเป็นพระนวากะเดินตามหลังพระทหารสี่แสนรูปเป็นสี่แสนกับหนึ่งรูปได้เลยด้วยความสามารถได้กําลังด้วยความเพียรด้วยบา ร, รมีของเราเนี่ยฟังและตัดสรุปได้เราถ้าอจะมาสาธยายธรรมจักรกับปวัฒนาสูตรเนี่ยหรือสาธยายริยสัตว์เนี่ยยอมตั้งใจฟังให้ทะลุทะลวงแล้วสามารถบรรลุได้ไหมไม่ใช่สีบ่บรรทัดหรือสาธยายให้จบเลยบรรลุไหมยอย่าว่าแต่บรรลุเลยถ้าหลับตาสาธยายลืมตาหาย จะมาจะเหลือใครกี่คนก็ไม่รู้ถ้าสาทยายกว่าจะจบนี่ยาวนี่ใช่ไหมถ้ามาสาทยายว่าเอวังเมสูตังเอกังสมายังบะคะวาตามเราเราไปเงี้ย น, นะโอ้ยุ่งเลยกว่าจะจบนี่นะเ ล, น เ, ลเลยเวลาหนึ่งชั่วโมงเลยเวลาแล้ยยมบอไม่ไปแล้วเชิญพระคุณเจ้าหลับตาสาทยายไปคนเดียวก็ค่คอยทยอยหายหายเหลือแต่เกาอลีใช่ไหม ไม่ใชบรรลุนะี่ยนอกจากไม่บรรลุยังหนีกลับบ้านนี่เดี๋ยวนี้ไปแสดงธรรมที่ไหนเป็นอย่างนี้เผากิเลส ท, ทั้งหมดแล้วตามเสด็จใน ร, รัมมนครแต่เราไม่มีกิจที่จะเผากิเลสและบรรลุพระนิพพานด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักด้วยการทําให้แจ้งในธรรมในพุทธเจ้าพราะองค์นี้ไม่ปรารถนาไม่ปรารถนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อหน้าพระรยาองค์นี้แต่ปรารถนาจาักเป็นพระพุทธเจ้าเองและตัสรุเอง啊 เราจาักบรรลุสัพพัญญตยานเป็นพระเจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกท่ากะไรเราเปกพึงเป็นเหมือนพระทีปังกรทศพลพระองค์นีบรรลุปรมาท่สมภานแล้วขึ้นสู่ธรรมนาวายังมหาชนให้ข้ามสังสารสาาครแล้วปรินิพานในภายหลังดีกว่าเนี่ยคิดอย่างนี้นะพอคิดในลักษณะอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะบอกันนี้เป็นการสมควรแก่เราแต่นั้นมาก็ประชุม อภิญญาฐานแปดประการเนี่ยนะประชุมอภิญญาฐารแปดประการเขาคือมาพิจารณาในลักษณะที่บอกว่าบุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่บอกว่ามูลปณิธานหรือปัจใจแก่บา ร, รมีทั้งหลายที่จะได้รับพุทธบยากรเนี่ยพระบ้าบอกต้องยังทำรรมสโมโอทานแปดประการให้ถึงพร้อมจยิจะได้รับพุทธบยากรจากพระบรมศาสดาที่ท่านบอกว่า มนุสตังริงขสัมปติเหตุสัทธารดสาสนังปปัจบบชาคุณสัมปติอธิกาโรจชชนดาตาอัทธดัมมาสมุธานาอาภินิหารุสมิชติบอกว่าอาภินิหารเนี่ยย่อมสำเร็จด้วยการประชุมแห่งธรรมแปประการนะหนึ่ง ความถึงพร้อมด้วยความเป็นมนุษย์แล้วก็ถึงพร้อมด้วยเพศเหตุการเห็นพระบรมศ า, าสดาปปาัจฉาถึงพร้อมด้วยคุณอธิการะแล้วก็มีชันาา้นต่าในเหตุทั้ง8ประการเนี่ยที่บอกตินโนตารยังมุตโตโมโจเจยังทันโตทํามเอยยังสันโตเสมอยังอัศตโตอัศ ส, สาไสยยังปรินิพุตโตปรินิพพาเปยัง สุดโทโซเทยังพุทโทโพเทยังเราข้ามได้แล้วจะยังสัตว์อื่นให้ข้ามด้วยเนี่ยท่านคิดดังน้นนะเราพ้นแล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นแล้วด้วยเราฝึกแล้วจะให้บุคคลอื่นฝึกด้วยเราสงบแล้วจะยังสัตว์อื่นให้สงบด้วยเราหายใจคล่องแล้วจะให้สัตว์อื่นหายใจคล่องด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้สัตว์อื่นปรินิพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วจะยังสัตว์อื่นให้บริสุทธิ์แล้วด้วยเราตัดสรู้แล้วจักให้สัตว์อื่นตัดสรู้ด้วยดังเนี้ย ท่านคิดในใจในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการประชุมสโมโภธานทั้งแปดประการเป็นต้นเหรอเนี่ยนะอั น, นในรายละเอียดตรงเนี้ยที่พระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ท่านก็พยากรณ์ในยัตรงนี้นะเก่าให้เห็นว่าถ้าคำพีสายนอกท่านจะกก่าวว่าพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมได้พระหันสี่แสนรูปเหยียบจริงๆเ เหยียบที่ศีรษะแล้วก็เหยียบเดินข้ามเลยแต่ถ้าสายในของเถราวาสเนี่ยไม่เหยียบชี้บอกว่าเนียนนอเนื้อผู้ทางกูลแล้วก็บูชาด้วยการเวียนประทักษิณพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สี่แสนรูปเนี่ยแล้วก็เสด็จกลับก็จะมีจุดต่างกันตรงนี้มาเล่าไว้แค่ตรงนี้นะมาต่อไปสาธยายบ ร, รมีสิทธั์บูชาคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกันน้อมจิตระลึกนะแล้วก็จะได้ หลังจากนั้นเบ็ดเสร็จก็ให้พวกเราทั้งหลายหลับตาจเจริญพุทธคุณอันมาก็จะสาธยายพุทธคุณให้ฟังไปเรื่อยๆนะให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมใจและลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาธ า, า, านาปารามีสัมปันโนทานา ปรามีสัมปันโนธานาปารามัตาปรามีปันโนเมตตาตรีการุณามมทิตาอุเบกปรามิสั นอิติปิโสมคาวสีลาปารามีโนสีลาอุปปารามีปานโนสีระ ปารามัตาปารามิโนเมตตาไมตรีการุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสามปันโนอิติปิโสมคาวา เนคามมาปารามิปันโนเนคามมาอุปปารามีสัมปันโนคามมาปารามาปารามี โนเมตตาไมตริกรุณามมทิตาอุเปกาปาราสัมปันโนอิติปิโสมากาวปัญญาปารามิ สัมปันโนปัญญาโอปปาระมิสัมปันโนปัญญาปรมาตะปารามิโนเมตตาไมตรีการุณาโมท ตาอุเปกปาระมิสัมปันอิติปิโสภาคาวะเวริยะปาระมิสัมปันโนเวริยะอุปปารามิ โนเวริยาปรามตาปารามิสามปานโนเมตตาไมตรีการุณาตาอุเปขาปารามิสามปานโอิติปิโสภคะวะ คันติปารามิสัมปันโนคันติอุปปารามิสัมปันโนคันติปารามาธาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรี กรุณาโมติตาอุเปขาปาสามปานโนอิติปิโสมควะสาจัญปารามิสามปานโนสาจัญอุปปารามิ ปัณโนสัจปาระมัตตปารามีปานโนเมตตาไมตรีการุณาอุเปกขาปารามีสามปันโนอิติปิโส มาคาวาอาธิตานาปารามีสปันโนอาธิตานาอุปปารามีสามปันโนอาธิตานาปารามัตตา มีสาปันโนเมตตาไมตรีมุทิตาอุเปกขาปารามีปิติปิโสบกวาเมตตาปารามี ติการุณามุติตาอุเปกามรามีสัมปันโนอิติปิโสบาคาวาอุเปขาปารามิสัมปันโนอุเปขาอุปปารามิ โนอุเปกขาปารามัทตามีสัปันโนเมตตาไมตรีกรุณามติตาอุเปกขาปาราสัมปันโนอิติปิโสมาคะว ทัสสะราสัมปันโนทัสสะปารามิสัมปันโนทัสสะปารมาทัปปรามิสัมปันเมตตามัยตรีกรุณา โมติตาอุเปกปารามิสามนอีติปิโสบคะวติพุทธังสารนาคาชามิธรามงสารนาคาชามิ สังสารานาคาชามีนามหามีอางสาธุสาธุสาธุให้เราท่านทั้งหลายหลับตานะะเนื้เจริญพุทธคุณจเจริญพุทธานุสติการจเจริญพุทธานุสติก็คือว่าคำว่าพุทธะบวกอนุสติเนาะ คือการที่มีสติตามและลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าสติในที่นั้นเป็นไปกับมหากุศลจิตูบาที่เป็นไปกัยาณสัมปยุตมีปัญญาเกิดร่วมมีศรัทธาเกิดร่วมมีเจตนาเกิดร่วมโดยเฉพาะเราท่านหลายในขณะนี้ก็คือตั้งสัตทินรีคือความตั้งมั่นในพระบรมศาสดาในองค์เดชพระสัมสามาสัมพุทธเจ้า และลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านบอกว่าพระหมาหบุตรของเหล่านี้ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าในปางก่อนในชาติก่อนแล้วได้กระทําสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังในอัถภาพที่เห็นพุทธเจ้าเนี่ยจริงอยู่นับจากปัจจุบันนี้ไปในกลับอดีตที่สุดเสียสงไขแสนหมากับ สุเมธาดาบทเหาะไปในเวหาด้วยริ์ในครั้งนั้นพระชิ น, นเจ้าพระนามวธีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ขีนาศพสีแสนรูปเสด็จไปยังรัมมนครวุ่งเรืองอยู่ผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาอยู่ดุดประดังพระอาทิตย์มีรัศมีหนึ่งพันรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางท้องฟ้า สุเมธาดาบทได้ฟังธรรมของพวกมนุษย์ซึ่งกำลังพยายามทำทางเพื่อพุทธเจ้าทีปังกรพระองค์นั้นกล่าวว่าพุทโธพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกท่านดีใจเกิดปีติก็คิดว่าวันนี้เราถวายร่างกายของเราแด่พุทธเจ้าทีปังกรพระทศพลพระองค์นี้ จักเป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าองค์นี้ในอนาคตสุเมทดาบทนัน้นอนทอดร่างกายของตนเป็นสะพานบนเปลือกตมที่แอ่งน้ำในในทางนั้นคิดว่าขอพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จงสเสด็จไปบนหลังของเราถ้าพระโพธิยานจักสาเด็จสำเร็จแกเราในอนาคต ขณะนั้นพระพุทธชินเจ้าประทับยืนทางศีรษะของสุเมธดาบททรงทราบว่าอัธยาศัยของดาบทนี้จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในนาคตจึงทรงพยากรณ์อย่างสิ้นเชิงบอกว่าดาบทนี้จะตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าในนาคตดาบทนั้นได้ฟังดังนั้นแล้วดุจได้รับการอภิเศกที่ยิ่งใหญ่ และลึกเนือ ง, งซึ่งพระโพธิญาณประดุดได้รับแล้วเมื่อพระมุนีเทวดาและมนุษย์บูชาลีกไปก็ลุกขึ้นพิจารณาเราท่านทั้งหลายเวลามาพิจารณาอย่างนี้จะเห็นบอกว่าอันกลับหาประมาณไม่ได้นับจากกลับนี้ไปในดาบทนี้จักเป็นพุทธเจ้าในโลกเนี่ยเมื่อกําหนดนับไม่ได้นั้นกําหนดนับว่าสี่มาได้อย่างไรมาได้ด้วยอานาจแห่งพุทธันดรนะ ได้อำนาจแห่งพ e Hola.. ุทธันดรอย่างไรก็คือว่าด้วยอำนาจแห่งพุทธันดรก็คือว่าในระหว่างวัตถีปังกรสัมมาสุนพุทธเจ้าพระโกณทัญญะนับเป็นหนึ่งอสงไข่ระหว่างที่พระเจ้าโกนทัญญะกับพระเจ้ามังคละก็นับเป็นหนึ่งอสงไข่ระหว่างพระเจ้าโสพิตะกับพระเจ้าอนโนมทัศสีก็นับเป็นหนึ่งอสงไข่ระหว่างพระเจ้านารทะกับพระเจ้าปทุมุตระก็นับเป็นหนึ่งอสงไข่เขาเรียกว่า ในกับที่พระพุทธเจ้าสี่พระองค์ตัดสรู้เป็นต้นแห่งอสังขายีอสงิยยิ่งด้วยแสนมหากับในดีตนะเนี่มาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้จะเห็นบอกว่าพระชินเจ้านามวัตถีปังกรที่บอกว่าในกับนั้นที่ดูล่วงไปมีพระตันหังกรเมธังกรจารนังกรที่เราศึกษากันมา่อจะไหมจนมาถึงวัตถีปังกรทรงบำเพ็ญบารมีม า, าสิบกอสังขา ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับ แล้วในที่สุดจริงๆดังที่ได้กล่าวมานั่นแหละเราท่านทั้งหลายลงมาพิจารณาตามลาดับจนในที่สุดจริงๆท่านได้มาตั้งสุเมทะบัณฑิตเนี่ยนะท่านได้เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้รับพุทธบยาัก่อนที่บอกว่าท่านได้อภินิหารที่กล่าวมาสักครู่ใช่ไหมประมวลธรรมทั้งแปประการอภินิหารสำเร็จเพราะทำแปดประการประชุมพร้อมกันก็คือความเป็นมนุษย์ความถึงพร้อมได้เพศ เตที่ได้สาเร็จเป็นพระรหันต์ในภพชาตินั้นได้ด้วยการได้เห็นพระบรมศาสดาการได้บรรพชาการได้ถึงพร้อมด้วยคุณก็คือสมาบัตแ8แล้วก็อภิญญาห้าอธิการะก็คือการกระทำที่ยิ่งความเป็นผู้มากไปด้วยชันทะสามารถที่จะตายได้ทิ้งชีวิตได้เป็นต้นเมื่อเรานอนอยู่บนแผ่นดินมีความคิดอย่างนี้เราเมื่อต้องการอยู่ก็สามารถเผากิเลสในวันนี้ได้ แต่จะประโยชน์อะไรใช่หที่จะตัดรู้ตามพระพุทธเจ้าในเพศที่คนอื่นไม่รู้จักเราจะกปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์อะไรแก่เราในการที่เราจักบรรลุในวันนี้ว่า ง, งั้นความสามารถอย่างท่านนะท่านข้ามจากผู้เดียวนั้นไม่มีประโยชน์เราจักบรรลุสัพพัญยุตยานช่วยมนุษย์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามไปด้วยด้วยอธิการละคือกุศลอันยิ่งใหญ่ เราจักบรรลุสัพพยุตยานจะช่วยหมู่ชนเป็นนั้นมากให้ข้ามพ้นจากสังสารวัฏเราท่านทั้งหลายเมื่อพิจารณาอย่างนี้ที่พระบรมศาสดาพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งโลกผู้ควรสมควรบูชาประทับยืนบนเนื้อศีรษะของเราแล้วก็ตรัสพระดำรัสบอกว่าเธอทั้งหลายจงดูฉดินดาบทนี้ อันชดินดาบทนี้ผู้มีตะบะแก่กล้าในกับอันหาประมาณมิได้นับจากกับนี้ไปเขาจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกตถาคตจากเสด็จออกจากนาครกระบินลพั ท, ที่น่าเรื่นลมทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกข ก, กิริยาตถาคตจากประทับนั่งที่โคนต้นอชชาปารณิโคตรับข้าวมาทุปายญาตในที่นั้นแล้วจักไปยังแม่น้ำเนรัญชลาพระชิ น, นาจ้าพระองค์นั้น จากเสวยข้าวปลายาดที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาลาแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามผนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพยศที่ยิ่งใหญ่จะกระทําประทักษิณโพที่มณฑลอันยอดเยี่ยมแล้วจะตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นไม้อัศทะพฤกพระมารดาผู้ให้กําเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จับมีพระนามว่ามายา พระบิดาจะมีนามว่าสุโธธนะพระชินเจา้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคโดมอัครส า, าวกมีชื่อว่าโกดิตะชื่อว่าอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพระพุทธอุอปถาค ข, ของพระพุทธเจา้าพระองค์นี้มีนามว่าอานุนจกบำรุงพระชินเจา้าพระองค์นั้นอัครส า, าวิกาจะมีชื่อเขมาและชื่อว่าอุบบนว น, นาผู้ไม่มีกามาสวะเป็นต้น สิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นต้นไม้อันเป็นสถานที่ตัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชาวโลกจะเรียกกันว่าต้นอัศทะพฤกพรกพะทศพลประทับยืนอยู่ทางศรีรษะอย่างนั้นแล้วทรงพยากรชื่นชมบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้แปดกำมือสเสด็จเวียนขวาแล้วก็หลีกไปพระขีนาศบสี่แสนรูปพากันบูชาด้วยดอกไม้ของหอม เดินประทักษิณเวียนขวาแล้วก็หลีกไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างร่าเริงยินดีทราบว่าสุเมธาดาบทจกเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพากันทำการสการะบูชาย่างหาประมาณไม่ได้ไหว้แล้วระบุปุพานิมิตรสามสิบสองประการชมเชยแล้วก็หลีกไป สณะขณะนั้นสมเมธาดาบทฟังครมยากรจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าและเทวดาและพรหมหมื่นจักรวาลและจมอยู่ในทะเลของปีติซาบซ่านไปทั่วสรีละไม่ขาดระยะเป็นประดกมีกายอภิเศกด้วยอมตะสําคัญสมบัติกล่าวคือการเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในอุ้งมือของเราแล้วการเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในอุ้งมือของเราแล้วท่านอุทานนะบอกว่าเราจักเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน การได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุ ด, ดังอยู่ในอุ้งมือของท่านท่านทั้งหลายนับแต่นั้นมาเนี่ยสี่อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับพระบรมศาสดาของเราท่านทั้งหลายก็เพียรพยายามในการบ่มเพาะทานบรารมีศีลบรารมีเนคขมปัญญาวิรยขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและก็อุเบกขาบรารมีอุปปรารมีสิบ ปรมัตถบารมีสิประการจนในที่สุดเราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่นชมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุจริงๆแล้วเราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ชัดในพระธรรมคำสอนของพระบรมศ า, าสดาซึ่งได้มีโอกาสมาศึกษาคำสอนของพระเจ้าองค์นี้ณตอนนี้ขณะนี้ด้วยเหตุผลก็คือว่าเราท่านทั้งหลายเมื่อมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้ว พระบรมศาสดาต้องผ่านพระเจ้ามาอย่างยาวไกลใช่ไหมนับตั้งแต่เสียสงขายยิ่งด้วยแสนกับเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็นอบน้อมคุณของพระเจ้าและลึกว่ากว่าที่พระโพธิสัตว์ของเรานี้จักได้ตัดสรุปเป็นพระเจ้าน่ยช่างยาวไกลนักและในสุดจริงพระองค์ก็ได้ตัดสรูปนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆตรงนั้นน่ยถามว่าใน น, นามของพระเจ้า27พระองค์ที่พระเจ้าของเราเนี่ยทรงผ่านพ้นมาที่บอกว่า ตัณหังกัโรมหาวิโรเมตังกัโรมหายโสสรรนางกัลโรมกิโตทิปังกัโรชุตินเดโรกนตัญญูชนะปาโมโคมังกโลโุริสาสะโภ สุมโนสุมาโนทีโรเรวัตตรติวัตโนสุพิโตคุณาสัมปันโนอโนมทัสีชนุตตาโมปะทุโมโรกะปะโชโตนารโทวรสารดีปะดูมุตตโรสัตตสาโร สุเมโทอปติปคัโลสุชาโตสัพพโลกโคปิยทัสสนราสะโพอัตถทัสสกาโรนิโกธรรมดัสีตโมนุโทสิทัโออสโมโลเกติโสจาวะทะตังวโร ุโสจะวรโทพุ้โธวิปัสสิจอนุปาโมวิปัสสิกิสาภิโตสัธาเวสภูสุกัายโกโกสันโธสัทวาโหโกนาคมะโนระชาชโยกาสะโพสิสัมปโน โกตโมสิรักยาปงกโวตีเราท่านทั้งหลายนะที่บอกว่าอารมาสาทยายชื่อพระนามของพระบรมศาสดามา27่และ28ทั้งพระองค์เนี้ยจเห็นความยากความลำบากของพระบรมศาสดาของเราท่านทั้งหลายที่พระองค์ต่อสู้ฝ่าฟันบำเพ็ญบารมีสิบอุปปารมีสิบแล้วก็ปรมัตถบารมีสิบ กว่าที่เราท่านทั้งหลายจะมีโอกาสได้ฟังธรรมได้มีโอกาสสาธยายธรรมมีโอกาสที่จะเข้าใจพระธรรมของพระบรมศาสดานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องยากมากฉะนั้นท่านทั้งหลายนั้นจงตั้งกระแสจิตของเราท่านทั้งหลายตั้งไว้ในคุณของพระพุทธเจ้ายายเสื่อมถึงแม้ว่าจักได้น้อยนิดก็จงพาดเพียรพยายามไม่เกิดขึ้นในกมว ล, ละสั น, นหรือในกม ล, ละขันของเราท่านทั้งหลาย ตั้งมั่นในคุณของพระบรมศาสดา